พระธรรมเทศนาจาดโกเรื่องหนักเขาคำภูติสิบห้าเดบเรียงโดยอินสมชัยจมพูเ ร, รียนธรรมภูประโยคนักธรรมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงหายอะโมตัสภาการะะตอราตอสัมมาสัมพุทธสัง โสปะนาโปธิสัตโตปาราณสิ่งพตปะพินาการังขันธวรังนิวาสเปสิติสสตาวดุราสะโปดิาตังหลตังยิ่งใจมวนหมูอันนั่งอยู่ฟังธรรมจงจักจำทวนที เราจากจีจะใไขลำดับไปบ่อขาตามบทบาทบาลีอันพระมูนีตีไวหากเก่าว้ยเมื่อมา <c oughs> ส่วนนอปุทธมยศยามารอดดาวเวียงใจกองเสนาไในมวนหมู่ยังจอดอยู่เสาวแรงนอกกำแพงเมืองใหญ่ แล้วจิงใส่ลายสารถึงพระผู้บา น, นันตราชเจ้าภาษาใจ ส, สีวาดราจเจ้าปุรีบาบเศร้าตนเป็นเก้าปา ร, ราบดินีนาลานไทยมารอดไกเบียงใจแม่นจอมไตเอาเจ้ากลัวได้เข้าตั้งตายจุงพันภายป้าหมูปไปตีอยู่เรารา ขอข้ามาก้มเกา่าตามรีดเกา่าโบราณแม่นยังหันบาไปบ่อไปไวทุนสาถึงวันมาผูกเจ้าเราจะเข้าเตเมืองเอาเศนาเรื่องผู้เทากับเต้าเจา้าอดใจใส่แปะไหลลอยล่องไปตามต้องสากอนหนอผู้ทอนแต้มแล้วก็หฮือพวกแก้วคนหาน นำลายสารรีภาวไปถาวายเต้าหอคำก่อมีหันและนะส่วนพรญญานันตราชเจ้าาษาตาเจียง้านอ่านลายสารสุดยอดหูแจงรอดความในมีหัวใจโคตรไม่บ่กุดไข่ตั้งวาย มาละลายใจถอยจริงตอบถอยคำหานว่าดูระตัตาการผู้แก่นบึงจุงเล่นขึ้นหลังไปบอกยังใจถอยแม่นละน้อยตอนกูว่ามันมาจูเก้ากางกูจักมัง่งมันตายเฮอบำวายมวยหมอดบอกเฮอรอดนีไป มึงจุงไว้ฝั่งฟ้าออกไปบอกข่าวเร็วปั้นเสนายันบอดจาอ่าปิ่งอ้อยนาขึ้นมาขาบทุนสาเหล่าเก้า้ฮแก่เจ้าตามกรรม เจ้าองค์คำหูแลก่อบอกเต้าอตอนแก้วกาละวันราชาตังเซนาน้อยใหญ่หูแจง้งไข่จูคนคนก็มีหันและนะ ส่วนพญานันตราดอันห่าหาตปาลก็เรียกนั้นติยาเสนาผู้เทาอันเป็นเก่ารีปนมาหาตนรีพาวแล้วบอกกก่าวความในคุณใจไฟผู้เทาฟังคำเจ้าเคยเมืองมีกำเครืองโคตรกาว่าใจถอยจ่าสามานัน อันนายพรานป่าไม่นำไปไว้ดงดอนบ่อเมื่อมอนมวยหมอดปล่อยปนรอดขึ้นมานำโยธาต่างเต่าจักมาหนาเอาเมืองเสนาเรื่องผู้เท่าขอดไม่เอาป่านไฟไข่กําไปบอกเล่าว่าคาแด่เจ้าปุรี ขอพระภูมิยศใหญ่ยาหม่นไม่สันได้อายจังไรกะหยาบขาจากผาพแตงฟันเหือบ่อตันจากไหนมันเตียงใดบำวายเ <c oughs> ือมันตายเสียงไข่พร้อมตั้งไพโยธาคุณปาลาหาเท้าก่อฟังเฝ้าเร็วไวเฮือตีกองใจเป่าร้อง ไปตัวต้องปาราเเสนาบวนโมมาพร้อมอยู่บัดเดียวก็มีหันและนะ <c oughs> กันเสนาบวนหมมาพร้อมอยู่ตามคำเจ้าหอกคำนั้นตาราต ก, ออกาดไข่จ้าวาบัดนี้นาสึกใหญ่ มาแวกไก่ปุรีถึงยามดีผูกเจ้ามันจะเข้าเตเมืองโยธาเรื่องม้วนมูจุงถ้าอยู่ดาฟันอย่าให้มันตันใดเข้าเมืองใหญ่เราราถึงยามดาจากกรุงสายฟ้าปุงเรื่องไรสู่จุงเรียวไว้ก้าผ้ากอกไปจากปุรีเข้าราวีคำค้า อย่าไห้นาคนใดโยทาไหนหาเท้าจริงทมเต้าหัวใจว่าเต้าเมืองใดนั่นใสยกสักใหญ่มาจูหมูสะทูต่างนามีจังมาโยธาเต้าได้จ้าขอกาวฮือหูเข่าตามมี เจ้าปุรินันตราดกนิ่งขวาดในใจว่าแม่นเราใขรบอกเก่าวหื้อหูเขาสัตย์จังเขาได้ฟังแจ้งส่องจักกึดป่องคุณนาะบ่รุมราคำคาจักปอกหน้าถอยห่นเหตุตรีผล น, น้อยใหญ่ตั้งไผ่ไตนิงใจยังกึดไม้ใจสอด ถึงเต้ายอดบุญนำเจ้าหอคคำนั้นตาราจริงโอกาสมุสาวาเป็นพญาต่างห้องคงเขต้องเมืองไก่เสนาในใหญ่น้อยปันหา้อยเป็นไมยจุมเร้าลายเดือดแลอาจผาแป้บัดเดีวและน้า ปูนาตีวเศธโในวันลุนและรุงสายฝ้าปุ่งเรื่องไรเจ้าห่อใจนันตาราดกับขุนหฮาหาดต่างตาก็ยกเสะนามวนมากออกไปจากเวียงใจรีปนไหลละลาดจุมมอกนาดมีลายพองสะไปดาบกาย่อมหยาบจะสามาน ตั้งจ้างสารร้องแซนมาเห็นนันเนืองปานดังเมืองใหญ่กว้างจักแตกมั่งเปฟังกองใจดังบอกขาดจ่อตรงวัดควัดไกวโย่ถ้าไหลจะจืดปุ่นปุ้งมืดบางวันอีบยัดกันกะภาคออกไปจากปุรีกอมีฮันแลลน่า อาตาในกาละนั้นอันว่าโปที่สัตตนองอาจคือเจ้าน้อยนาทเหมะกุมามรก่อทุนสารขับไปซึ่งป่อไทยราจา ตั้งบานดาแม่เจ้าว่าอย่ามนเศร้าเหงาในอย่ามีใจสะตานหรือผ่านยานอันตารายเศเสนาไายน้อยใหญ่วังแวดไววตึบตันเจ้าจอมควันนอไทยหันซึกใหญ่ น, นำก็เอาเขาคำวิเศษขีดแวดเขดแตแแ้นตนก็อปันดุนบ่อจ้าหันต่อดาเร็วไว เป็นน้ำใสเล็กกวางแวดไข้ค้างอาณาส่วนพญากาลวันณราเตจะอาจเหลือคนหันรีปนลายลากออกมาจากเวียงใจดังน้ำไหลขางตาตั้งมาจ้างสนสารจริงจะขานต้านต่อซึ่งเจ้าหนอปุทธวว่าขออาสาช่วยเจ้า พบคุณเท่าสามานตตั้งเ้าหานันตราราธือก้อยกาดถอยห่นตั้งรีปนหน้อยใหญ่หือการไข่พระนี้หนอมูนีน้อยนาดก็ อ, อนุญาตตามกรรมและหน้าส่วนพญานันตราราชเจ้าภาษาตวปาราณสีกับเสนาบดีผู้ถอย ตั้งพวกน้อยโยธาอันเตียวมารอดไกคือเล็กใหญ่วังใสจักขามไปยินอยากโยธามากลวงลายมอยืนย้ายแวกไกตั้งน้อยใหญ่อัสะจันบ่อเกยหันแต่ก่อนว่ามีบอนวังทานปอยบรรดาต่อหน้าความตัางกว่าตันตา แม่นพญาต่างดาวฤทธิ์ีฮาวเลือลายม้าคงควายแต่งไว้ือเราได้เล่งหันเขาจากกันซาสูพ่องยืนอยู่ริมวังเหือไหลปังย่อยนาไข่เล่นกว่าพระนีเจ้าปุรีนันตราดกับคุณฮาวหาดใจไฟก่อเร็วไว้มาไก่เล่งเหลียบไข้ไปมา ฮั่สังกาลายลากบ่อออกปากกำไดกอมีหันน่นเลนะส่วนโปทีสตนอง์อาจกับเต้ากาลวันนราจใจหานสรงผู้บ้านยศใหญ่กอมาใกล้กองตาแห่งนันตราชายศยาว และคุณหาท้าวสามานนอโอปุทิยานยอดซอยกอกาวถอยกำไปว่าดูราเสนาไหนมวนหมู่อันบีอยู่หลวงลาลเราบ่าหมายจะกขายังพวกทามยังพวกกาโยธาตั้งเสนาอาบาดผาจาราจะยิงเราเต่าคานิงคำเจ้า จักมาคาเจ้าปุรีกันเสนาบอดีผู้ถอยหื้อกาดก้อยมาราณาเหตุสองคาถอยไรหื้่อไผ่ไตเครื่องใจเราขอใครบอกเก่าเราเป็นลูกเต้าสมมตัดราชาบ่โมอราณามวยหมอดได้ไปรอดแดนไก่เรามีใจไข่ค้า ยังเอาอยากจะหาสามานกับคุณหานผู้เท่าจริงปลอกเต่าคืนมาจุ่มเสนาวนหมูสู่จุงอยู่สันดี <c oughs> อย่าเราวีรบพาพม็นกะหยาบเอา ร, รมบอบปังกรรมเราก่าวใจหาเท่าต่อจนสู่จูขนน้อยใหญ่จักไตยไข่กองกันเลยนะ ตั้งสุดตวัว า, ายเสนาผู้เท่าฟังคำเจ้าไขรจามีโกธาหลายแหล่ส่งตแาแพรปั่นไฟไข่กำไปหัดเท้า ร้องเอินเปล่าโยธาว่าดูราเสนาเหยน้อยใหญ่สู่ยาได้วางใจใจจังไรใจถอยมักเกาวถอยมุสาสู่จุงดาเข้าใจยับหือได้บัดเดียวดาบคมเขียวฟักฟาดเอามอกนาดยิงไปแม่นคนได้ตุนจากูจัฆ่าสู่ตาย เสนาลายใหญ่น้อยได้ยินถอยกัมจาแห่งนอน้าปุถาน้อยนาฏพองกึดขวาดเล่งหันก็อปะกันหมวนไปบ่กึศควายแต่งฟันพ้องใจชะกันบาปเศร้ากลัวคุณเท่าเอาตายก็พันภายฟังฝ้าเล่นเรียบดาววังใสบ่พี่ภัยคำใดกิมกใหญ่ยิ่งไป ตั้งปืนไฟน้อยใหญ่ยิงเข้าใส่สนสารพ้องอวดทานกว่าหมู่เต้นลงสู่วังวนลวดหายหุนขาดความอยู่ใต้น้ำบังไส คุณใจไฟโคดรไม่เต้นคำใดบัดเดียวเล่นรีเปลวบอจ่าเข้าหาเจ้านอลาคุณมีเจ้าปุรีกาลาวันาราหันคุณห้าหาดปาลา เป็นพดมาตอ้าตนเจ้าฟ้าเรียวปันเล่นเข้าฟันรบภาพดาบต่อดาบฟันแตงต่างคนแข็งอง์อาจใจห้าวหาดเสมอกันต่างพัดพันไ ว, ว้วองดาบบ่อตองคนได้คุณใจไฟหาเทา้าบ่อหูเต้าจำปาบีเตจ้าอาจอ้างอาจหักคอจางปังปาย เงี้ยผันภายเข้าไกลเต็นเข้าใส่บัดเดียวแล้วรีเปลววันกอดยังเต้ายอดห่อใจมันไม่ใจผ่าแป้มัดสอกแป้ไปหลังน้ำไปยังที่อยู่แห่งจุ้หมูโยท้าเต้าจำปายอดใหญ่ลบหลีกได้เร็วปัน เอามือพันกำแข่งยกขึ้นแกว่งผัดมนฮือเวบนปั่นกว้างแล้วก่อกว้างขึ้นไปโยธาในน้อยใหญ่โหร่องใสนั่นเนืองและนะ คุณสามาถยศใหญ่นิ้นโคดไม่เหลือใจเต้นขำไปแถมเล่าถึงเต้าเจ้าจำปาตั้งสองขาฟักผาดบอเจ็บบาดไปใดตั้งคนไว้ตั้งกู ดาบปอนโยเสียคมคมดาบจมคมดาบแสงสาราบตอตาเสียงปืนยามอกนาดป่อได้ขาดเนื้องนั้นพอเป็นควันมะมุง <c oughs> เป็นฝุ่นฟุง้งมุงบนหนอตะสะปนบนใหญ่กอน้อมใบาราสีสวาดมุนลี้ีองอาจธือลูกนาดปืนยา ตกไกตาต่างห้องบอบมาตองคนได้คุณใจไฟหาเท้าถอยจากเต้าจำปาเล่นเข้ามาตีไกอุ้มเจ้าหนอไทยเร็วไว <c oughs> แล้วออเต้นไปตีอยู่แห่งเจ้าหมูจุมมันเจ้าหอจันกาละวันนาราธัานคุณห้าวหาตลาอุ้มนอพุท ธ, ธากินกู เต้นคืนสู่แดนันก่อเร็วปั่นแหล่นไหลเต้นคำใดบัดเตียวแล้วรีบเร็วไหลคายังผวกกวาโยธามีนำนาน้อยใหญ่ล่มตายไวยดวงลายแลอพันภายเข้าไกลรบคุณใหญ่ใจไฟอุ้มใส่ใจนอลารีบเต้นกว่าขึ้นมา คุณป่าลาฟูใบ ย, ยินโคตรไม่เลือลายยินอ้ายหลายแหล่เหือย้่อยแพ้ตั้งตนใจเว่วนไม่เอาเต้นมาเล่าเรียวปัน <c oughs> เขากอดวันตันเต้าตนภาพดาวจำปากิ้งไปมาตั้งกูฮบกันอยู่เหมือนน้านคุณใจหานเท่าถอยก็ อ, อ่อนมอ้อยรวยแรง ฮบบอแข่งเมือนก่อนอิดเมื่อยอ่อนนำนาเต้าจำปายดใหญ่ก่อยับได้บัดเดียวกำแขนเดียวบิดหวาดเอาเจียขาดปลายหลังนำไปยังตีไกเต้ายดใหญ่สมมาตัดราจาฮือเสนาหนุ่มเทาวังแวดเฝ้าแหนกัน แล้วเรียวปั้นรีภาวเขารบเตา้านันตราจาผูป า, าบะบไปก่อนยับใดเรียวไวแล้วนำไปบ่อาใจไาว้ต่อนาโนปโปทิญานส่วนโยธาหารลมเทหันคุณเก้าเสนากพัญญาผาบดาวกันต่อเต้าแดนไก่ วัดไปต่อหน้าเข่าเล่นกว่าสะสนต่างถอยหุ่นมวนหมูเข้าไปสู่เวียงใจก็มีหั่นแลยนะนอพุทธาติไวสมปันใหญ่ดานำเอาเขาคำต่างเก่าขีดที่เก่าหวังบนน้ำหายหุ่นเสียงซ้ำดินเต็มพาตั้นตา ดังเดิมมาเมื่อก่อนบ่อได้ผ่อนอันใดนอจอมใจหยดเย้ยยาก่อหือเตา้าจำปามัดเสนาผูา้เตา้ากับเต้าเจ้านันตราชาคือเสนาน้อยใหญ่วังแวดไ้จู้า ย, า แ, ายแล้วพันภายตั้งหมู่เขา้าไปสู่เวียงใจรีบเร็วไว้ใหญ่บาดขึ้นภาสาทห่อคำ แล้วไข่กำรีภาวฮือร้องเปล่าสัญญาฮือผาจ้าน้อยใหญ่มาพร้อมควเดียวปันแล้วไข่ปันบอกเก่าฮ <c oughs> ือหัวข่าวตามรายคนยิงใจม้วนหมูยินจืนสูเจยบ้านสาทุการหัวร้องสนั่นกองนันเนือง เจ้าบุญเรื่องยดใหญ่ก่อแต่งใจจำหมายหือโย่อท่าไหลาอาจกานำเจ้าฝ้าองออนคือตาโอภูทร น, นันตาราดกับคุณเฮาหาดจังไรใสแฝ่ไหลลอยหล่องไปตามต้องกงกา จุมโยธาบ่อจ่านำเจ้าฟ้านันตราจากับเสนาถอยไรใส่แพปใหญ่เร็วไวปล่อยไหลไปละล่องต้วตามต้องวังบนตามกำตนได้สร้างแก่เจ้าจังเดิมมาลวดมารนามวยมางกางแม่กวางวังทานบาปมาปานจักจง ลงรอดห้องอเวจีแสนเครื่องขีไม่เอาทุกคาเจ้าขึ้นวันก็มีหันและนะา <c oughs> โสปนาโปธีสัตตส่วนนอบธิญาี่ยันยใหญ่ภาพได้ไข่สัตถูก่อขอบุญจูเจ้าป่อเป็นเต้าต่อเซวยเมือง เต้าบญเรื่องสมมติราชกนิงขวาสัญญาบา่อภาธนาเป็นเต้าภาแผ่นดาวปุรีก่อใสสลีลูกเต้าใดเป็นเจ้าแต่นองค์ตั้งคนโรงงน้อยใหญ่ตั้งไผ่ไตยิงใจเสนาลายอามาตพรหมมณจาเศรษฐกบดีปอก้าก่อพร้อมนาทุนสาร ขอนอโปที่ย้อนลมเนาขึ้นเป็นเจ้าพาปาราแล้วอุตสาพิเศษอธิเรกทุนขันยกจอมทันน้อยนาดขึ้นนั่งผ า, าสาตเววยเมืองและนะตามัดทางปรกกาเซนโตศรัทธาศรัทธาสัพปัญญุยอดซอยหันบาถทอยบาลีบทหลังมีไปแจ้ง พระจริงแสงเตสะนาวาโสมตัดราจาระเจสาพุตตะกังกาเรตตาดังนี้เป็นต้น <c oughs> เพคาเวดุราเพฆโกตังลายอันเป็นสายอริยาเจ้าเจือโคดเงาทานงยานส่วนพระผู้บาลสมมาตรราชจากักเอลูกน้อยนาดบุญเรือง ได้หนังเมืองหยดยาวภาควายดาวปุรีกอ่ออตีกองเปล่าไปควายดาวเวียงใจเฮ่คนไหนไพราตังอามาเสนา <c oughs> ปากันมามวนห ม, มูมวนเล่นอย่เจ็ดวันแล้วปากันอาพิเศกอาติเรกมงกลยกยังตนดูกเต้าเือเป็นเจ้าภาปุรี ตำประเพณีแต่ก่อนบอกผ่อนสักอันฝ่ายเจ้าห่อจันกาลวันดาราเ จ, าจ้าภาสาจัมปาตั้งเสนาหน่อยใหญ่กันเมียนไขากิจการก่อนลาพระผู้บ้านหนุ่มเนาปิ๊งปอกเต้าเมืองตอนก็มีฮันและนะ่นา ถ้าต่อปัทฐายาแรกแต่นั่นไปไป้ายนาบอนเดนจ้าหึงนานพระผู้บานกาละวันราชก็นำนางราชจธิดา <c oughs> ผู้โสภาจื่จ้อยจื่อนางยอดสอยจิราวาดีมาถาวายเจ้าปุรีเต้าใหม่หฮืออยู่ไปรุมรา เป็นอากาจยาแนบคางรวมอยู่สร้างหอคำนอคุณทหยอดซอยกับนางนาดน้อยจิราวดีสะเวิดปุรีใหญ่กว้างหลีวกเวนห่างต่างดำตะสักทาบคบไข่บ่อเว้นไวบดได้บทใดมีใจใส่แพ่กว้างหุ่มก่อสร้างต่างบุญตานไปนุนจะใจ รักษาศีลไว้กับตนบ่เมาวนาา์าหมาดบ่เว้นขาดพาวานาคนหรือซาเหล่าเศว้าไปรอดดาวแดนไก่โ <c oughs> จนบานไัยก็หยาบบ่าม า, าพาเปลี่ยนขีเจ้าปุรีจืนยาวร้อยเอตเต้าขาับสมปานหึงเบิ่นนานแต่เล้วตาราบต่อเต้ามราณา กันไก่กาลาภาคดับจิตจากเมืองคนก็เอาตนไปเกิดจัน้าเลิตุสีดาก็ะมีันแลนา <c oughs> เฮกาเวดูราพิกุสงตนทรงสินใสบ่อเศร้าเจื่อจะาเจ้าทรงญานตวัตัดหานอย า, จากจ้าปองคำคาตัวเรา บ่บางเบาแต่ใสตั้งแต่ไทยเดิมมาตามเราจาบอกเ่าตั้งแต่เก้าสุดปายหื้อตันตั้งไหลจูผู้ใดแจงหูตามมีดังกล่าวมานีแลยนะศรัทธาอมบังทำมาเตะสนังอาหาริตตวจาตะกังสาวโมทาเนสิศรัทธาสัมปัญญู ตนเป็นครูแก่โลกดับตุกโศกภัยบานกันไขนิทานเสียงขาดจักจักจาต์ปังลังมาเตรียมยังจาดนี้เออแจ้งที่ตามมีพระมูนียอดซอยจริงเกาทอยกัาวาตา ต, าตาอิสิอตานิสาริพุตโตดังนี้เป็นต้น เพคะเวดุราภิคูตั้งหลายอันเป็นสายอริยาเจ้าโลกสิท์เก้าพระมุนีอันว่าระสีบุญใหญ่จบแจงไขทารงยาน สอนกุมมาหน่อยนาเือจอบชาลาสิ ป, ปะกุณนาบุญ น, นุนมาไขคือหากมาไดมหาสารีบุตรเถระเจ้าในกาลบัติ น, นี้แลยนะนาการาจ้าอันว่าพญานาคยศใหญ่อยู่ต่ำใต้ดินด้านริที่หานห่าหาเตจะาอนาจนนำเอาเ ข, ข่าคาวิเศษ คือเจ้าน้อยเนตรนอพุทธาบุญนันป้ามาไข้คือหากใดอุรุเวลากัศปาเทนในกาลตรดี้แลยนาส ก, กุเตวาราจาันวาภาญาอินตาเจ้าฟ้ากับเปตนาเป็น่านำนอโพทิญามารอด ที่ห้องยอดปุรีบุญนั้นมีมารอดคือหากได้ยอดอนุรุธถาเทนในกาลบัตนี้เลยนะกาลวันณราจาอันว่าพญ า, ากาลวันณราเจ้าภาสาัดจำปาในกาลนันไสคือหากมาได์มหาหมกันลนาณาเทนในกาลบัตนี้เลยนะ นันตราจาอันว่าพญานันตราชัยเฮาหาปาราบัตินินามาไดเต้ายุดใหญ่อาชาติสัตธูและนานันติโยเสนาปามโคอันว่านันติยะเสนาบดียดใหญ่ใจมุนไม่อาธรรม กาต้้มกำรมไล่แล่หื้อตุกแก่นอกโปที่ยานบาปมาปานตัยไต้คือหากได้เทวตดเทนในกาลบบดี้ลยนะอยากข้าราชาอันว่าพญาอยากโยดเงาอยู่ด่านดาวดงดำเอาวายคำอาตอังหื้อแก่เจ้าจ้างสมมาตัดราชา วันนั้นนะ้าก็หากมาใดกาลุตาญีเทระเจ้าในกาลบัตินี้แหละนะ้าโสมตัดราัจอาันวะพญาสมมาตาชวันนั้นคือหากมาใดเต้ายศใหญ่สิริสุทโธตันนะรัจาราเจ้าพิ ต, ตาแห่งพระตถาคตะในกาลบัตินี้และนะ้า พตาวติเตวีอันวานังพตาวดีนอเนาแมแห่งเจ้าเหมากุมารมีสมปันบ่อน้อยคือนังยอดซอยสริมหามัญญาในกาลาบัติและนาจิราวติส่วนวานางจิราวดียอดซอย งามจื่นจ้อยเลือตาอกากาศจาญาเตียมบาทแาห่งเจ้าน้อยนาเทมะกุมาร ม, ม, มีสมปานอันใหญ่คือนางนอไทยยสุธาราในกาลบัตนี้และนะเฮมะกุมาโรปานาส่วนเฮมะกุมารยอดยาวผาาแผ่นดาวปาราณสีปารมีแก่แกอ ได้นั่งเต็นแก้วเตศสานาคือพัฒนากาตาในกาลัปนีและนาะตุมเหภาวันตาตันตั้งลายมวลมูอันนั่งอยู่นานำได้ฟังธรรมแต่เก้าทาราบต่อเต้าปริโยสาร จุงมานาสิการเกิดไข่จำจือไว้ในใจปิจาราณาไปเตือนหน่อยตามบาทยมีมาเปือกปีนามีมาแก่นแต่หากสูนกันตัดได้หัน่นกวนขวางจุงเอาห่างดีไกส่วนตัดได้กวนใจจุงเอาไว้กับตัวเอาเป็นขัวเตี้ยวไต เป็นไม่ไต้ส่องต่างเตียวจริงจากเรียวไปรอดอำมตยยอดเนระปานบ่ายาจังละนะเนีิที่ตังขีญยาสังวันนานาวิเศษจากห้องเหตุตาเขาคคำผูกสิบห้าก็บังกมสมเร็จเสร็จแล้วเต่านี้ก่อนแล